โลกะพนจากภัยพิบัติไม่ได้ฉะนั้นจึงได้เสนอเรื่องนี้ขึ้นมาก็โดยมีความมุ่งหมายดังที่กล่าวมานี้ลงชื่อพรรัตนสุวรรณ17ธันวาคมพุทธศักราช2525 25. พลังทิพย์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 อุปาทวยะธรรมิโนซึ่งมาจากคำสามคำต่อกันคืออุปาทะวกวยะวกธรรมิโนอุปาทะแปลว่าการเกิดวยะแปลว่าการดับธรรมิโนแปลว่าเป็นธรรมดาธรรมิโนคำเดิมก็คือธรรมะซึ่งแปลว่าธรรม ทำในที่นี้สะกดด้วยทอธงรองหันมอมาซึ่งในภาษาไทยมาเกเรสันสันว่าทมแต่เนื่องจากเวลาทาเสียงอ่านในหลายแห่งก็จะอ่านว่าธรรมะนะครับเพื่อไม่ให้ผู้ฟังสับสนกับคำว่าธรรมที่สะกดด้วยทอทหารที่หมายถึงการกระทำฉะนั้นขอดีโปรดจำไว้ให้ดีว่าคำว่านามธรรมในความหมายของพุทธศาสนานั้น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 ซึ่งคนทั่วไปมักจะเข้าใจความหมายไม่ถูกต้องทั้งๆ ท, ท, ที่คำนี้มักจะพูดหรือเขียนกันอยู่เสมออันที่จริงคำบาลีที่ใช้กันอยู่ในภาษาไทยนั้นมีหลายคำซึ่งมีความหมายผิดไปจากเดิมเช่นคาว่าน่าเวทนาคนทั่วไปเข้าใจว่ามาถึงน่าสงสารซึ่งในความหมายเดิมที่ใช้ในคำพีของพุทธศาสนานั้นคำนี้หมายถึงความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์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 พลังเห็นความคิดโดยกระแสจิตนี้ถ้ามีความเข้มข้นมากและสะสมบิบากมานานเช่นอย่างพลังของจิตใต้สำนึกหรือผวังขจิตนั้นจะเห็นได้ชัดว่าสามารถบรรดาให้เกิดวัตถุขึ้นมาได้ตามความต้องการเช่นร่างกายของคนเราเกิดมาจากวิญญาณของเราหรือสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์หรือเป็นพืช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 เช่นวิทยุโทรทัศน์เรดาร์คอมพิวเตอร์เครื่องบินเรือดำน้ำเหล่านี้เป็นต้นก็เกิดจากพลังจิตบรรดาที่มีขึ้นแต่ต้องอาศัยการกระทาและอาศัยสิ่งอื่นอื่นอีกหลายอย่างลำพังความคิดอย่างเดียวทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ส่วนอภิญญาทางจิตเช่นหูทิพตาทิพอ่านใจคนอื่นได้ระลึกชาติได้ไปไหนได้ด้วยกายทิพ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 มีต้นกำเนิดเหมือนกันข้อสำคัญอย่ามองผิวเผินและจะต้องเข้าใจเรื่องวิญญาณอย่างลึกซึ้งแล้วรู้ละเอียดว่าวิญญาณได้แสดงสมถภาพออกมาในรูปไหนบ้างจึงจะยอมรับว่าอภิญญาทางวัตถุกับอภิญยาทางจิตนั้นมีต้นกำเนิดเหมือนกันและกล่าวได้อีกว่าคนที่มีพื้นสมาธิดีถึงขั้นที่จะได้อภิ ญ, ญาทางจิตนั้น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 เรามองไม่เห็นเลยซึ่งท ร, ร ม, มาอื่นแม้สักอย่างเดียวซึ่งถ้าหากไม่ได้อบรมทำให้มากแล้วยอมเป็นไปเพื่อความหายนยางใหญ่หลวงเหมือนอย่างจิตนี้เลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตที่ไม่ได้อบรมทำให้มากยอมเป็นไปเพื่อความหายนยางใหญ่หลวงทีเดียวข้อความทั้งสองบทนี้มีอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบ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 และขอให้นึกต่อไปถึงเรื่องอภิญญาต่างๆเช่นอิทธิวิธีการแสดงอิทธิปฏิหารต่างๆหมูทิพตาทิเป็นต้นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก็เพราะอาศัยการอบรมจิตซึ่งต้องทํามากทํามาแล้วหลายชาติจึงจะสามารถมีอภิญญาเหล่านี้เกิดขึ้นได้และขอให้นึกต่อไปอีกถึงเรื่องที่ว่าอะไรคือต้นเหตุที่ทําให้คนเราต้องไปสู่อบายภูมิ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 ก่อนจะเชื่อหรือมั่นใจอะไรไม่อย่างนั้นก็จะหลงทางเป็นความงมงายเป็นศิลป์ตาปรามาสขัดควางการบรรลุธรรมเสียโอกาสชาติหนึ่งไปฟรีและความเชื่อความฝังใจนั้นอย่าคิดว่าจะมีแค่ชาตินี้นะครับเมื่อเกิดความเชื่ออะไรไว้จะเป็นวิบากในจิตสะสมไปถึงชาติหน้าเกิดใหม่ก็จะเป็นคนงมงายได้โดยง่ายกว่าจะถอนถอนอุปาทานความยึดมั่นหลงผิดได้นั้นนับว่าเป็นเรื่องยากแสนยาก จะต้องไหว้หวนทนทุกข์ในสังสารวัฏอันยาวนานอย่างน่าสงสารทีเดียวก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับการแผ่เมตตาพลังทิพย์ก็คือพลังวิญญาณอันนี้โปรดจำไว้ให้ดีอย่าเข้าใจเป็นอย่างอื่น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 ผู้ที่รู้เรื่องกฎเกณฑ์ของวัตถุเป็นอย่างดีย่อมสามารถจะสร้างอภิญยาทางวัตถุขึ้นมาได้เช่นสร้างวิทยุสร้างโทรทัศน์ขึ้นมาได้เป็นต้นฉันใดผู้ที่เข้าใจเรื่องชีวิตเรื่องวิญญาณอย่างดีทั้งในโลกของมนุษย์และโลกของอปปปาติกาทั้งหลายนั้นเขาก็ย่อมจะรู้เป็นอย่างดีว่าการแสดงอิธิปาติหารต่างต่างนั้นเป็นไปได้อย่างไร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 บทแพ่เมตตาที่ใช้กันทั่วไปนั้นก็คือข้อความที่ว่าสัพเพสัตตาอเวราอพยาปัต ช, ชาอานีคาสุขีอัตานังปาริหารันตุสัตวทั้งหลายผู้เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นขออย่าได้มีเวรมีภัยต่อกันและกันเลยขออย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยขออย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย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 เราพู้ทีละสังโยชนนี้ได้หมดแล้วจะไปเกิดเป็นโอปปาติกะอยู่ในพรมชั้นสุทธาวาดและจะได้เป็นพระอาหารหันต์ปรินิพานในชั้นสุทธาวาดนั้นโดยไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์อีกทั้งหมดนั้นคือคำแปลของบทสวดเมตสูตรพร้อมกาอธิบายขยายความนะครับ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 อันนี้สรงเมตตาสิบเอดอย่าง 1. หลับเป็นสุข 2. ตื่นเป็นสุข 3. ไม่ฝันร้ายสเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายอาเป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลาย 6. เทวดาทั้งหลายย่อมรักษา 7. ไฟสาตราหรือยาพิษใดๆ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 หรือเมตตาเจโตวิมุตตินี้หมายถึงเมตตาที่บริสุทธิ์คือเป็นความเมตตาที่ไม่หวังผลตอบแทนเป็นความเมตตาที่ไม่ประกอบไปด้วยกิเลสเช่นราคาหญิงสาวกับชายหนุ่มที่มีความรักต่อ ก, กันนั้นมันจะมีความเมตตาต่อ ก, กันอย่างลึกซึ้งแต่ถึงกระนั้นความเมตตาเช่นนี้ก็ไม่บริสุทธิ์เพราะเจอปนไปด้วยราคา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 ก็ขอให้พิจารณาดูว่าในสังคมของสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายนั้นมันมีความรักความเมตตาต่อกันมีการเกื้อกูลกันมีการให้อภัยกันหรือไม่หรือว่ามีแต่การแย่งกันกินแย่งกันอยู่สัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กปลาใหญ่กินปลาเล็กขอให้ดูสัตว์ที่ใกล้กับคนเช่นสุนัขแมวหรือสัตว์อื่นที่เราพบเห็นกันอยู่เสมอนั้นสันดานของมันเป็นอย่างไร ถ้าเขาด่าเราเราก็ต้องด่าตอบเขาตีเราเราก็ต้องตีตอบเขาฆ่าเราเราก็ต้องฆ่าตอบสมมุติว่าในสังคมมนุษย์ส่วนใหญ่เป็นเช่นนี้และนอกจากนี้ยังมีการแย่งกันกินแย่งกันอยู่เอารัดเอาเปรียบกันขู่จรีดกันโกงกันหลอกลวงกันและพยายามเอาอย่างกันและเลียนแบบกันด้วยลองคิดซิว่าในที่สุดโลกนี้จะเป็นอย่างไร ในสังคมของสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายแม้ว่ามันเป็นเช่นนี้แต่โลกก็จะไม่พินาศเพราะถึงอย่างไรมันก็จะไม่ฉลาดถึงกับคิดหาวิธีการทำลายล้างกันถึกระทั่งสัตว์ทั้งหลายได้สูญพันธุ์ไปจากโลกแต่มนุษย์โดยอาศัยการเรียนรู้และประสบการณ์ต่างๆทําให้มนุษย์ฉลาดยิ่งขึ้นโดยลําดับฉนั้นถ้าหากมนุษย์ทั้งหลายส่วนใหญ่หรือเกือบจะหมดทั้งโลก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 ตั้งแต่อย่างเล็กๆไร้เดียงสาซึ่งสัตว์เหล่านี้เมื่อโตขึ้นมาแล้วรู้จักรักกันไม่ประทุษร้ายกันตามธรรมชาติของมันแต่ถึงกระนั้นก็ยังไว้ใจตลอดไปไม่ได้อยู่นั่นเองเพราะถึงอย่างไรสันดานเดิมของมันก็ยังมีอยู่เช่นเสือเมื่อหิวขึ้นมาหาอาหารอย่างอื่นไม่ได้มันก็จะต้องกินเพื่อนของมันอย่างนี้เป็นต้น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 สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นอเวราขออย่าได้มีเวรนมีภัยต่อกันและกันเลยอภยาปัชชาขออย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาขออย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหะรันตุขอให้มีความสุขกายสุขใจ รักษาตนนี้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถินบุแพรเมตตาดังที่กล่าวมานี้ขอให้ทำด้วยความจริงใจทำบ่อ ย, อยทำจนเคยชินกลายเป็นนิสัยซึ่งถ้ากลายเป็นนิสัยแล้วก็หมายถึงว่าโดยนิสัยของเราจริงเราจะไม่คิดร้ายใครไม่คิดทำให้ใครเดือดร้อนไม่คิดที่จะทำให้ใครได้รับความเสียหายคือเสียสิ่งของ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 นี่ก็คือคนที่หัดแผ่เมตตาและทำบ่อยๆทำด้วยความจริงใจจนกระทั่งกลายเป็นนิสัยโปรดอย่าลืมว่าการลงโทษการตาหนิการว่ากล่าวการต่อสู้เพื่อป้องกันอะไรก็ตามตลอดทั้งการกระทำที่จำเป็นที่จะต้องฆ่าต้องประหารอะไรเหล่านี้นั้นเราสามารถทำได้โดยที่ไม่จาเป็นต้องมีความโกรธหรือความเกลียดด้วย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 อุปสัรของการแผ่เมตามีอะไรบ้างได้อธิบายมาแล้วซึ่งผู้ที่เข้าใจดีก็จะเห็นด้วยว่าการแผ่เมตานั้นเป็นสิ่งจำเป็นและมีคุณประโยชน์มากฉะนั้นต่อแต่นี้ไปขอให้พิจารณาดูว่าการแผ่เมตตาให้กับคนอื่นหรือสัตว์อื่นนั้นจะมีผลดีต่อโลกโดยส่วนรวมอย่างไรบ้าง ขเขาเรียบโปรดย้อนไปอ่านข้อความในตอนต้นอีกครั้งหนึ่งและเขาให้ศึกษาหัวข้อเหล่านี้ให้เข้าใจอย่างจำแจ้งคือ1พลังทิพย์ก็คือพลังจิตหรือพลังวิญญาณ 2. ทุกขณะที่ความคิดเกิดขึ้นซึ่งไม่ว่าจะคิดถึงไรคิดถึงเรื่องอะไรคิดในทางดีหรือทางชั่วความคิดเหล่านี้จะมีผลต่อคนอื่นเสมอ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 ก็ล้วนแต่เกิดมาจากพลังแห่งความคิดทั้งสิน้นห้านรุคมีสวรรค์มีทุกขติภูมิสุขติภูมิสิ่งแวดล้อมต่างๆในภูมิเหล่านี้ก็เกิดมาจากพลังแห่งความคิดไม่มีสิ่งใดและไม่ว่าในโลกนี้หรือในโลกไห น, ไหนทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่เกิดมาจากพลังแห่งความคิดทั้งนั้น ดังบาลีว่ามโนปุพังขามาธรร ม, มามโนเศรษฐามโนมยาทุกสิ่งสำเร็จด้วยใจหรือวิญญาณวิญญาณหรือใจเป็นรากฐานของสิ่งทั้งปวงสิ่งทั้งปวงสำเร็จด้วยใจหรือวิญญาณในโลกของมนุษย์ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากใจมองเห็นได้ยากเพราะในโลกของมนุษย์ลำพังความคิดอย่างเดียว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 โลกมนุษย์กับโลกทิพย์โดยเนื้อหาที่แท้จริงก็คือสิ่งสิ่งเดียวกันเหมือนกับน้ําเหลวน้ําแข็งไอน้ําโดยเนื้อแท้ของสิ่งเหล่านี้คือสิ่งสิ่งเดียวกันฉะนั้นการจะดูความเป็นไปในโลกมนุษย์ให้เข้าใจแ จ, จ่มแจ้งจริงๆนั้นจะต้องดูจากโลกทิพย์ด้วยข้อความโดยสรุปทั้งเจ็ดหัวข้อนี้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 กระแสะความคิดที่แพร่ออกไปนั้นย่อมจะไปดึงหรือไปโดนใจให้ความคิดแบบเดียวกันเกิดขึ้นมานี่คือประเด็นที่สำคัญที่สุดฉะนั้นทุกครั้งที่เราแผ่เมตตาให้กับคนอื่นหรือสัตว์อื่นนั้นอย่างน้อยจะต้องมีคนหนึ่งที่ได้รับกระแสะความคิดจากเราซึ่งผู้ที่จะรับได้ง่ายที่สุดก็คือพวกโอปปาติกะที่อยู่ใกล้เราและมีพื้นจิตใจใกล้เคียงกับเรา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 โปรดพิจารณาบ่อยๆพิจารณาให้ละเอียดการแผ่เมตตาด้วยความจริงใจนั้นย่อมจะต้องมีผลดีต่อ บ, บุคคลอื่นอย่างแน่นอนด้วยเหตุผลดังที่ได้กล่าวมานี้ฉะนั้นสำหรับบุคคลที่มีพื้นดีเป็นคนมีนิสัยเมตตากรุณาต่อ บ, บุคคลและสัตว์ทั้งหลายอยู่แล้วนั้นการแผ่เมตตาย่อมทำได้ง่ายอยู่แล้วไม่ต้องฝืนใจ ฉนั้นในกลุ่มของคนเหล่านี้ซึ่งถ้าหากจะได้กระทากันอยู่เสมอทำบ่อยๆพลังแห่งความเมตตาที่สะท้อนย้อนรับกันนั้นก็จะมีพลังมากขึ้นและแผ่ไปได้ไกล ย, ยิ่งขึ้นคนที่หูตึงหรือคนที่สนใจอยู่กับสิง่งใดสิ่งหนึ่งอย่างหลงไหลนั้นเสียงที่ดังมากๆก็ยังทำให้คนเหล่านี้ได้ยินและหันมาสนใจกับเสียงนั้นได้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 ทำให้ความอาคติและสิ่งที่เคยคิดลบต่อท่านหายไปหมดเกลียยงในเรื่องนี้สำหรับคนที่ฝึกจิตมาดีพอจนสามารถมองเห็นพลังงานทางจิตแผ่รอบตัวได้นั้นทุกคนต่างยินยันกันนะครับว่าพลังจิตที่แผ่ออกมาของหลวงตาพระมหาบัวนั้นบริสุทธิ์พุดพองอย่างยิ่งจึงไม่น่าแปลกนะครับที่หลายคนที่ปฏิบัติถึงจุดจริงจะเคารพท่านมากต่อให้จะได้เห็นการสั่งสอนจิตในแนวที่ดูรุนแรงหรือหยาบคายไปบ้างก็ตาม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 พลังที่แผ่ออกมาจากจิตนั้นมีผลต่อสิ่งแวดล้อมจริงก็ฝากเรื่องนี้ไว้ให้พิจารณาด้วยนะครับเมื่อเรายิ้มให้เขาเขาก็อดที่จะยิ้มให้เราไม่ได้หลักอันนี้พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสไว้เหมือนกันคือพระองค์ตรัสว่าอูชเกลละเพปูชัง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 รอกแก๊สที่เกิดจากท่อไอเสียและกลิ่นควันสิ่งสกปรกซึ่งมีอยู่ทั่วไปทำให้อากาศเป็นพิษรอกพลังเห็ความชั่วเห็นได้ชัดในโลกทิพนี่แหละในทางพุทธศาสนาจึงได้กล่าวว่าเมื่อถึงวันจะสิ้นโลกหรือสิ้นกัปนั้นเทวดาทั้งหลายจะลงมาประกาศให้มนุษย์ทั้งหลายได้รู้ล่วงหน้าก่อนซึ่งจะนานเท่าไหร่ในคำภีไม่ได้บอกไว้แต่ก็คงจะต้องนานพอสมควร นานพอที่จะให้มนุษย์ทั้งหลายกลับใจเลิกละความชั่วหันกลับมาประพฤติความดีกันได้เต่เมื่อถึงคราวจะต้องสิ้นโลกจริงๆแล้วเทวดาทั้งหลายก็ช่วยไม่ได้เรามนุษย์ส่วนใหญ่จะไม่ฟังเสียงของเทวดาที่ให้เลิกละความชั่วเขาทั้งหลายยังคงประพฤติความชั่วกันต่อไปมนุษย์ส่วนน้อยเท่านั้นที่เชื่อแล้วก็พากันปลีตัวออกห่างจากมนุษย์ผู้ชั่วร้ายทั้งหลาย ไปอยู่ตามป่าตามเขาหรืออยู่ในที่ห่างไกลาจากคนชั่วร้ายทั้งหลายแล้วพากันถือศีลประพฤติ ธ, ธรรมไปจนกว่าจะตายซึ่งในเมื่อทุกคนในโลกต้องตายหมดเพราะไฟ ป, ประไลกันล้างโลกหรือน้ำท่วมโลกหรือตายตามอายุขของตนก็ตามผู้ที่ประพฤติชั่วก็จะต้องไปมีชีวิตเป็นโอปปาติกะอยู่ในอบายภูมิส่วนผู้ประพฤติความดีก็ไปสู่สุขติภูมิ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 เพียงแค่นี้ก็ยังจะช่วยบรรเทาความชั่วร้ายความเดือดร้อนี่น้อยลงไปได้บ้างพลังทิพย์คือพลังแห่งความคิดอันประกอบไปด้วยเมตตาซึ่งคนทั้งหลายได้พยายามช่วยกันแผลด้วยความจริงใจนั้นอย่านึกว่าจะไม่มีผลหรือมีผลน้อยเพราะความคิดที่ประกอบด้วยความเมตตาซึ่งเกิดจากมนุษย์นั้นผู้ที่จะรับได้ง่ายที่สุด ก็คือเทวดาทั้งหลายครั้นแล้วเทวดาเหล่านี้เมื่อได้รับแรงใจจากมนุษย์ก็จะเพิ่มพลังอันนี้ให้มากขึ้นและแผ่กว้างออกไปอีกพวกโอปปปาติกะด้วยกันก็จะพลอได้รับด้วยอย่าลืมว่าพวกโอปปปาติกะทั้งหลายนั้นก็ไปจากมนุษย์นิสัยสันดานติดไปจากมนุษย์ฉะนั้นพวกโอปปปาติกะที่ไม่ดีก็มีอยู่ไม่น้อย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 วิธีแผ่เมตตาการแผ่เมตตาเป็นกรรมฐานข้อหนึ่งในเรื่องสมถักรรมฐานส0สิพระพุทธเจ้าตรัสสอนที่สาวกทั้งหลายเจริญเมตตาความมุ่งหมายสำคัญก็เพื่อเป็นอุบายกำจัดความโกรธความเกลียดความอาฆาตความพยาบาทอันมีอยู่ในสันดานของคนให้หมดไปซึ่งไม่มีวิธีไหน ที่จะได้ผลดีเท่ากับการฝึกหัดแผ่เมตตาฉะนั้นผู้ที่จะทำการแผ่เมตตานั้นควรจะต้องเข้าใจจุดหมายอันนี้ให้ดีเพราะผู้ที่ทำไปโดยไม่เข้าใจวัตถุประสงค์อันนี้ย่อมจะไม่ได้รับผลหรืออ น, นิสงส์ใดๆเลยและอุปสรรคสำคัญที่ทำให้เราแผ่เมตตาให้กับคนอื่นไม่ได้ก็คือความโกรธหรือความเกลียดความอาฆาตพยาบาทฉะนั้น วิธีแผ่เมตตาตามที่กล่าวไว้ในคำพีวิสุทธิมรรคนั้นท่านจึงสอนไว้ดังนี้ก่อนอื่นให้เรานึกถึงตนเองเสียก่อนซึ่งเมื่อนึกถึงตนเองเราก็จะรู้สึกว่าโดยธรรมดาเราย่อมจะรักตัวเองยิ่งกว่าใครๆทั้งหมดไม่ปรารถนาที่จะให้ตัวเองเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใดๆมีแต่ปรารถนาที่จะให้ตนเองมีความสุขมีความเจริญอย่างนั้นอย่างนี้เรารักสุขเกลียดทุกข์ชันใด คนอื่นสัสตร์อื่นก็ย่อมเกลียดทุกข์รักสุขฉันนั้นเราไม่ปรารถนาความเจ็บป่วยความตายความตกต่ำฉันใดคนอื่นสัสตร์อื่นก็ไม่ปรารถนาฉันนั้นก่อนอื่นต้องพยายามทำความเปรียบเทียบในทํานองเอาใจเข้ามาใส่ใจเรานื่อึงอกเขาอกเราอย่างนี้ให้เข้าใจอย่างจำแจ้งและให้สังเกตว่าความปรารถนาดีต่อตอนเองนั้นรุนแรงมาก แต่ความปรารถนาดีต่อคนอื่นนั้นจะไม่รุนแรงหรือหนักแน่นเท่ากับที่มีต่อตนอันหนึง่งขอให้สังเกตด้วยว่าเพราะเหตุที่คนเรายอมรักตัวเองมากยิ่งกว่าใครๆทั้งหมดเพราะฉะนั้นจึงไม่โกรธหรือเกลียดตัวเองทั้งที่ตนเองทำความผิดหรือทำความชั่วก็ยังให้อภัยตนเองได้เสมอพ่อแม่ที่ให้อภัยลูกได้เสมอก็เช่นเดียวกัน คนเรามักจะเข้าข้างตนเองในเวลาทำความผิดคิดแต่ในแง่ดีเช่นเดียวกับพ่อแม่ที่รักลูกมากเมื่อลูกทำผิดก็มักจะคิดแต่ในแง่ดีจะมองเห็นว่าลูกไม่ผิดหรือผิดแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ถือซึ่งพ่อแม่ทุกคนจะมีวิธีคิดเป็นของตัวเองซึ่งเป็นการคิดในทางที่จะไม่ให้เกิดความโกรธหรือความเกลียดต่อลูก กลไกของความรักความปรารถนาดีต่อลูกนั้นมักจะบันดาลให้รู้จักคิดในทางดีได้เสมอซึ่งตรงกันข้ามกับความเกลียดซึ่งเมื่อเกิดขึ้นในใจแล้วมันก็จะสัรหาแต่แง่ที่ไม่ดีขึ้นมาพูดหรือทำให้คิดเห็นแต่ในแง่ที่ไม่ดีต่างๆฉะนั้นอุบายในการระงับความโกรธหรือความเกลียดก็คือเมื่อเราโกรธใครเกลียดใครก็จงพยายามนึกแต่ในแง่ดี ึกถึงความดีของเขาที่เคยมีต่อเราหรือที่มีต่อคนอื่นความดีที่เขามีอยู่จริงๆไม่ใช่แกล้งแต่งขึ้นมาว่าเขาดีอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งความเป็นจริงแล้วเราก็ยังไม่เคยรู้หรือเคยเห็นว่าเขาดีอย่างนั้นอย่างนี้เลยโดยธรรมดาคนเราทุกคนไม่ว่าจะเลวร้ายสักเพียงใดถ้าจะคิดถึงในแง่ดีแล้วทุกคนย่อมมีด้วยกันทั้งสิ้นไม่มากก็น้อย โดยที่สุดคนซึ่งแล้วสิ้นดีแต่สำหรับคนที่คิดจะฝึกหัดละความโกโรธความเกลียดให้หมดไปจากสันดานหรือผู้ที่ตั้งใจบาเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์นั้นเขาจะมองเห็นประโยชน์จากคนแล้วได้อย่างมากเช่นสมมุติว่าคนแล้วนั้นจะด่าจะประทุษร้ายหรือจะทาอันตรายใดๆก็ตามซึ่งเราจะมองหาความดีในตัวเขาไม่พบเลยแต่แล้วเขาก็จะมองเห็นว่า การที่เขามาด่ามาว่าเรามาประทุสร้ายเรานั้นเป็นการดีเพราะเขาเป็นผู้มาฝึกหัดเราให้รู้จักหาวิธีละความโกรธความเกลียดได้อย่างดีมากซึ่งถ้าไม่มีคนอย่างเขามาฝึกหัดให้ความโกรธความเกลียดในขั้นนี้ซึ่งมันยังมีอยู่ในสันดานนั้นมันก็จะไม่หมดไปเหตุการณ์ยิ่งร้ายแรงเพียงไรก็ยิ่งเป็นผลดีเพียงนั้น ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าคิดจะละความโกรธความเกลียดกันจริงๆแล้วคนที่เขาดา่าว่าเราประจุสร้ายเรานั้นก็คือคนที่ทำประโยชน์ให้กับเรานั่นเองผู้ที่คิดจะหัดแผ่เมตตาจะต้องรู้จักอุบาในการละความโกรธความเกลียดดังที่กล่าวมานี้และนอกจากนี้สิ่งที่จะต้องระวังอีกแง่หนึ่งก็คือการแผ่เมตตาให้กับคนที่เรารัก โดยเฉพาะเป็นเพศตรงกันข้ามอันนี้ต้องระวังให้มากเพราะความสวยงามหรือเพราะความน่ารักอะไรก็ตามซึ่งทำให้เรามีเมตตาต่อเขานั้นการแผ่เมตตาให้กับคนประเภทนี้โดยไม่ระมัดระวังใจของตนก็เป็นการแน่นอนว่าราคะจะต้องเกิดเช่นเดียวกับการแผ่เมตตาให้แก่คนที่เป็นศัตรูกับเรานั้นความโกรธหรือความเกลียด ก็จะเป็นอุปสรรคซะก่อนทำให้แผ่เมตตาจิตต่อเขาไม่ได้ขอให้สังเกตว่าเมตตาที่ประกอบด้ยวยราคานั้นเมื่อไม่สมหวังไม่ได้ดังใจก็จะทำให้เกิดความเสียใจน้อยใจกลุ้มใจหรือบางทีก็ทำให้เกิดความโกรธความเกลียดการแผ่เมตตาเช่นนี้จะไม่มีผลอะไรเลยตามความมุ่งหมายของกรรมฐานข้อนี้ และเมตตาอย่างนี้ไม่ต้องสอนทุกคนทำเป็นโดยธรรมชาติแต่เมตตาอย่างนี้ในที่สุดแทนที่จะเป็นผลในทางกําจัดความโกรธความเกลียดให้หมดไปจากสันดานมันกลับจะเป็นการเพิ่มภูมิกลเลตอันนี้ให้มากขึ้นเสียด้วยซ้าไปฉะนั้นตามหลักของการแผ่เมตตาตามที่กล่าวไว้ในคำผีวิสุทธิมรักนั้นท่านจึงได้แนะนำว่า ครั้งแรกให้แผ่เมตตาให้กับตนเองเสียก่อนดังที่กล่าวมาแล้วและท่านยางสอนในภาวนาอย่างนี้ว่าอะหังสุขิโตโหโมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขเถิดหรืออะหังนิทุขโคโหโมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์หรืออะหังอเวโรหโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีเวร อะหังอัพยาปโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีความปยยบาตเบียดเบียนอะหังอนิโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์กายทุกใจสุขีอตานังปริหรามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนใพ้นจากทุกภัยทั้งสิน้นเถินบทใดบทหนึ่ง ซึ่งความมุ่งหมายสําคัญก็เพื่อเอาตัวเองเป็นหลักเป็นพยานหรือเป็นตัวอย่างในการที่จะทําใจให้มีเมตตาต่อผู้อื่นนั้นจะต้องทําใจอย่างไรจึงจะนับว่าเป็นการแผ่เมตตาเมื่อรู้จักคําว่าเมตตาในตนดีแล้วในขั้นต่อไปอย่าเพิ่งแผ่เมตตาให้กับคนที่เราเกลียดหรือคนที่เรารักโดยเฉพาะเพศตรงกันข้ามดังที่กล่าวมาแล้วก่อน แต่จงแผ่เมตตาไปยังพ่อแม่ครูอาจารย์มิสหายหรือบุคคลที่เรารักเคารพนับถือบุคคลที่มีคุณต่อเราและให้สังเกตดูว่าในเมื่อเรานึกถึงบุคคลเหล่านี้แล้วเรารู้สึกอย่างไรเรามีความรักความเมตตาในบุคคลเหล่านี้อย่างไรเป็นความจริงใจหรือไม่หรือแผ่ให้กับสัตว์ทั้งหลายที่เรารู้จักแล้วรู้สึกรักใครเอ็นดู เช่นสุนัขแมวหรือสัตว์อื่นๆข้อสำคัญต้องสังเกตดูว่าเรามีความรู้สึกรักเอ็นดูเมตตาสงสารในสัตว์เหล่านี้จริงจังแค่ไหนต้องจดจำความรู้สึกอันบริสุทธินี้ไว้ให้แม่นและต้องพยายามหัดแผ่เมตตาในบุคคลและสัตว์เหล่านี้บ่อยๆจนจำความรู้สึกอันนี้ได้ดีและทุกครั้งเมื่อนึกถึงบุคคลและสัตว์เหล่านี้ ก็เกิดความรู้สึกเมตตาอย่างนั้นทันทีเมื่อทำอย่างนี้ได้แล้วต่อไปก็หัดแผ่เมตตาให้กับคนหรือสัตว์ที่เราเกลียดหรือที่เป็นศัตรูกันซึ่งครั้งแรกคงจะต้องลำบากใจมากคือคิดอย่างไรก็ปรงใจไม่ตกนึกถึงคนหรือสัตว์ที่เป็นศัตรูนี้ที่ไรเป็นต้องเกิดความไม่ชอบเกิดความโกรธความเกลียดหรือเกิดความอาฆาตพยาบาท ฉนั้นในตอนนี้ท่านจึงสอนให้รู้จักคิดในทางที่จะไม่ให้เกิดความโกรธความเกลียดเช่นพยายามคิดในแง่ดีของเขาอย่างนี้เป็นต้นการคิดในทางที่จะไม่ให้เกิดความโกรธความเกลียดนี้มีเรื่องที่จะต้องอธิบายกันมากจึงขอยุติไว้ก่อนในที่นี้เพียงแต่อธิบายให้รู้จักขั้นตอนในการแผ่เมตตาที่จะให้ได้ผลโดยสังเขตเท่านั้น และในเมื่อสามารถทำใจมิให้เกิดความโกรธความเกลียดในบุคคลหรือสัตว์ที่เป็นศัตรูได้แล้วในขั้นต่อไปก็ให้แผ่เมตตาไปยังมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายโดยไม่เลือกหน้าแผ่เมตตาจิตไปในโลกทุกทิศทุกทางดังที่กล่าวไว้ในเมตตาสูตรแต่ข้อสาคัญต้องพยายามศึกษาข้อความในพระสูตรนี้ให้เข้าใจอย่างจำแจ้งและจำข้อความเหล่านั้นไว้ให้แม่นเสียก่อน ซึ่งจะจำเฉพาะคำแปลที่เป็นภาษาไทยก็ได้แต่ถ้าสามารถสวดเป็นภาษาบาลีได้โดยที่รู้ความหมายของคำบาลีทุกคำที่สวดถ้าทำได้ดังนี้พร้อมทั้งทำใจได้เหมือนดังที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ไม่ใช่สวดแผ่เมตตาสักแต่ว่าทำไปตามประเพณีหรือตามความเคยชินแล้วจะได้อ น, นิสงส์มากมายดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ทุกประการทีเดียว เสียงอ่านหนังสือพลังทิพย์หมายเหตุพุทธธรรมฉบับรับขยายท่านได้สรุปวิธีระ ง, งับความโกรธแนวทางการพิจารณาเพื่อระ ง, งับการจองเวรที่นำไปสู่การแผ่เมตตาให้กับศัตรูหรือคนที่มาเบียดเบียนจากคำภีวิสุทธิมักจึงขอยกมาไวใ้ให้ได้ฟังอีกรอบในส่วนท้ายหนังสือนี้เนื่องจากมีเนื้อหาที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับ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 ถ้าคนโกรธคิดจะทำร้ายคนอื่นไม่ว่าจะทำร้ายเขาได้แล้วหรือไม่แต่ที่แน่นอนก็คือได้ทำร้ายตนเองเข้าก่อนแล้วและตนเองต้องถูกกระทบทุกกรณีถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้วยังไม่หายโกรธข้อที่สี่พึงพิจารณาตามหลักกรรมว่าแต่ละบุคคลมีกรรมเป็นของตน